บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปผู้ปฏิบัติที่ได้ดำเนินมาตามหลักของวิสุธทธิทั้งเจ็ดประการเมื่อสามารถกำหนดได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนูภิกิเลสที่มีนัยยะดังกล่าวแล้วนั้น ไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายทางที่แท้จริงแห่งการประพฤติปฏิบัติสามารถสลัดความสยบจิตในอุปกิเลสเหล่านั้นได้ในชั้นนี้ก็ชื่อว่าเข้าถึงความบริสุทธิ์ประเภทที่เรียกว่ามัคคามัคยานาทัทสนะวิสุทธิ์ต่อแต่นั้นท่านก็สอนให้ผู้ปฏิบัติกำหนดพินิจพินิจ พ, พิจารณา นามรูปโดยใ่ลัก์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนนั้นบุคคลได้ไปมัวเพลิดเพลิอนอยู่ในโอภาษแสงสว่างปิติความเอบอบ่มใจเป็นต้นทำให้ปัญญาที่อย่างเห็นนามรูปตามใรลักษ์เลือนลางไปไม่ปรากฏชัดท่านจึงสอนให้ กำหนดพินิษ์พิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งโดยแยกเอาขันทั้งห้าประการแต่ละข้อขึ้นมาพินิษพิจารณาโดยลำดับคือยกรูปขึ้นมาพิจารณาเป็นอารมณ์แล้วกำหนดดูรูปในแง่ที่เป็นของไม่เที่ยงคือมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดา จนสามารถมองเห็นตัวอุปสรรคที่ปิดกั้นไม่ให้คนเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายได้นั่นก็คือตัวสันตติได้แก่ความเกิดสืบเนื่องกันของสิ่งเหล่านั้นและสามารถที่จะเพิกถอนสันตติคือการเกิดสืบเนื่องกันได้สามารถตัดตอนแยกแยะให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วนามรูปมีการเกิดสืบเนื่องกันอย่างนี้ เมื่อสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วกระดับไปสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาแทนแล้วกระดับไปในจุดนี้ก็สอนให้ดูเฉพาะในส่วนของความเกิดและความดับจนสามารถมองเห็นความเกิดและความดับของขันทั้งหที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นคือที่บุคคลยกขึ้นมาพิจารณาไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณก็ตาม เมื่อเห็นความเกิดดับแล้วต่อไปก็ให้ขยายความคิดออกไปมองเห็นนามรูปทั้งที่ผ่านมาแล้วและทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเร็วทั้งประณีตทั้งอยู่ไกลอยู่ใกล้โดยเห็นสักว่าเป็นเพียงนามรูปเท่านั้นเองต่อแต่นั้นก็ยังจิตลงสู่ความดับ คือแทนที่จะดูเฉพาะส่วนของความเกิดและความดับก็ให้ไม่ดูที่ความเกิดมาดูเฉพาะความดับอย่างเดียวคล้ายๆกับการดูน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงก็มีแต่การดับอยู่ตลอดไปไม่มีการเกิดปรากฏขึ้นดังนั้นเมื่อบุคคลเพ่งพินิษพิจารณาดูในส่วนของความดับอยู่เรื่อย ตำนองเดียวกับดูเรือนที่กำลังถูกไฟไหม้หรือน้ำตกดังที่ก่าวมาแล้วอาการที่จิตเคยกำหนัดเคยยึดจิตเคยเพลิดเพลินในเริงหลงอยู่ในนามรูปก็จะผ่อนคลายลงไปจากจิตใจข้อนี้ในสมัยพุทธกาลนั้นบางครั้งบางคราวเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการจะแสดงธรรมะในรูปของ วิปัสสนากรรมฐานได้นำเอารูปอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างแล้วก็บรรดาด้วยพุทธานุภาพให้บุคคลเห็นจุดเกิดกับจุดดับมีระยะที่ใกล้กันเพียงนิดเดียวอย่างเช่นเมื่อทรงแสดงประธรรมเทศนาโปรดพระนางรูปปั น, นทาพระกนิษฐาภกินีของพระองค์พระนางเป็นผู้เพลิดเพลินมัวเมา ในความสวยงามของรูปทั้งหลายพระพุทธองค์จึงดจึงได้ใช้รูปนิมิตให้เป็นสตรีสวยงามคนหนึ่งอยู่ในวัย1 5 1ห้าสกปีเมื่อพระเนตรของพระนางไปจับอยู่ที่รูปนั้นได้มีการกำหนดหมายโดยอำนาจราคะว่ารูปนี้ประณีตยิ่งรูปนี้งามยิ่งองค์ก็เริ่มบันดาลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในรูปนั้น จากช่วงระยะอายุ15 16ปีจนถึงอายุร้อยยี่สิบปีนั้นได้ตัดกาละออกไปก็มีช่วงนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าให้นางมองเห็นเฉพาะความดับที่ปรากฏในรูปนั้นดูตลอดเวลาในที่สุดเมื่อเห็นความดับที่ปรากฏในนามรูปเช่นนี้จะเชื่อมโยงลงไปหานามรูปเาอื่นโดยระยะที่ได้กล่าวไปแล้ว ก็จะมองเห็นความดับในลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อมองเห็นแต่ความดับดับในลักษณะที่ยิบเช่นนี้แล้วจิตที่เคยกำหนัดเคยผูกพันมัวเมาอยู่ในนามรูปนั้นนั้ น, น, นก็จะผ่อนคลายลงจิตที่ผ่อนคลายความรู้สึกเหล่านั้นดลงไปได้ก็จะเกิดรู้สึกมองเห็นโทษ ที่เกิดขึ้นจากความยึดติดในนามรูปทั้งหลายเมื่อมองเห็นโทษก็มองดูตัวเองคล้ายๆกับว่าไปอยู่ใกล้กรงเสือหรือใกล้าราชสีใกล้ภูเขาถลม่มหรือใกล้ไฟที่กำลังลุกไหม้มามีอันตรายอยู่รอบด้านพร้อมที่จะประสบความพิบัติในลักษณะต่างๆเพราะสิ่งที่ตนเข้าไปอยู่ใกล้เล่านั้น ต่อจากนั้นจิตก็จะน้อมไปดูปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดความยึดถือก็จะมองเห็นตัณหามานะทิฏฐิที่ก่อให้เกิดการกาหนดหมายว่านั่นของเรานั่นของเราก้อนนี้จะเห็นได้ว่าความกาหนดหมายด้วยอํานาจตัณหานั้นเกิดขึ้นมาจากการที่จิตของบุคคลไปกาหนดหมายรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญา และโดยสรุปก็คือนามารูปว่าเป็นของหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจก็จะมีการกําหนดหมายมีการไ ข, ขว้า้ามีความปรารถนาเพิ่มขึ้นจนถึงลงทุนสแสวงหาเพื่อได้มาสิ่งเหล่านั้นอยู่ในครอบครองของตนเมื่อได้มาแล้วก็จะมีความเพลิดเพลินอยู่ในระยะเวลาหนึ่งต่อจากนั้นก็จะมีการรักษาป้องกันห่วงแขนและต่อสู้ เพื่อไม่ให้ใครมาทำอันตรายหรือมาแย่งจริงสิ่งเหล่านั้นไปและจิตใจก็จะวขวอยควาอยู่ในลักษณะนี้เรื่อยไปเมื่อบุคคลมองดูสิ่งที่ตนวขวอยควาอยู่ว่าแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ดับอยู่ตลอดเวลาหรือเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆกับว่าไปหยิบเอาอสรพิษในที่มืดพอมองออกมาในที่สว่างเห็นเป็นอสรพิษ ไอ้ความคิดที่จะสลัดอสรพิษเหล่านั้นให้หลุดพ้นไปก็จะบังเกิดขึ้นทิ่ใจที่ยึดติดในานามรูปด้วยอำนาจตัหาว่าของเราของเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อบุคคลได้พิจารณาเห็นประจักษ์ชัดเช่นนั้นแล้วก็จะมองเห็นโทษชัดเจนขึ้นและจะสามารถปล่อยวางความยึดถือในสิ่งต่างๆลงไปได้โดยลาดับ กิเลสประเภทราคะที่เรียกว่าความกำหนัดก็ดีโลภะความโลภ ก, ก็ดีไอชันทะความพอใจความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายก็ดีก็ <c oughs> จะเบาบางลงไปจากจิตใจดังนั้นในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าจึงทรงสดแสดงในรูปของวัตถุต่างๆที่ปรากฏชัดแก่สายตาเพื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิรพิจารณามองเห็นว่า สิ่งที่บุคคลไปกำหนดหมายโดยแง่เดียวว่าเป็นของเราโดยแง่เดียวนั้นแในชีวิตปัจจุบันก็จะประสบความทุกข์ด้วยประการต่างๆเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่าการกำหนดหมายในแง่เดียวว่าทรัพย์ของเราบุดของเราญาติมิตรของเราเป็นต้นในแง่เดียวพอสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป ความโศความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจที่เกิดขึ้นเพราะการพรากจากะก็จะบังเกิดขึ้นจึงทรงสอนให้รู้ความจริงอย่างแท้จริงในระดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ให้สามารถปรับจิตได้เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปว่าการที่บุคคลทั้งหลายมาบนเพืออยู่ว่าทรัพย์ของเราญาติของเราบุตรของเราเป็นต้น แท้ที่จริงแล้วแม้ตนของตนก็ไม่เป็นของตนทรัพย์ บ, บุตรเป็นต้นจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่คือการมองปัญหาในแง่ของความจริงอย่างแท้จริงซึ่งในชั้นของการดำรงชีวิตในสามัญธรรมดาบุคคลก็อาศัยปัญญาที่ปรากฏขึ้นยอมรับความจริงในสองด้านคือด้านที่เป็นสมมติและด้านที่เป็นปรมัติ ด้านที่เป็นสมมติก็คือเรื่องของสมมติที่จะต้องปฏิบัติให้ผสมกลมกลืนกับการสมมติดังนั้นส่วนในด้านความจริงที่แท้จริงซึ่งเป็นวิปัสสนาปัญญาเมื่อประสบกับอารมณ์เหล่านั้นเข้าก็ปรับจิตให้อยู่ได้เพื่อไม่ให้เกิดกิเลสเกิดความทุกข์เข้าท่วมทับจิตใจจนเกินไปดังนั้นการที่ทรงสอนให้พิจารณาว่า เราจะต้องพลากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปนั้นแท้จริงแล้วก็คือการสอนในรูปของวิปัสสนาปัญญานั่นเองเพื่อให้บุคคลผู้ปฏิบัติได้เรียมกายเสียมใจยอมรับถึงภาวะอย่างหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนส่วนจะเกิดขึ้นในวันใดเมื่อไรโดยวิจีรานั้นไม่มีใครกำหนดได้แต่ถ้าหากว่ามีการเสียมใจยอมรับความจริงเอาไว้ เวลาสิ่งเหล่านั้นเกิดพลัดพรากจากไปจิตใจก็จะสงบอยู่ได้เพราะมาพิจารณาเห็นความจริงว่าความพลัดพรากซึ่งเป็นธรรมดาประการหนึ่งของชีวิตได้บังเกิดขึ้นแล้วความคิดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความโศกเศร้ารำไรรำพันเป็นต้นดังที่กล่าวมาก็จะไม่เกิดขึ้นจิตใจของบุคคลก็จะสามารถสงบอยู่ตามสมควรแก่โอกาสแก่อารมณ์เหล่านั้นได้ และเมื่อบุคคลกำหนดพินิพจน์จนมองเห็นโทษของนามรูปที่เคยกำหนัดเคยยึดจิตอยู่เช่นนี้พิจารณาอยู่บ่อยๆเห็นบ่อยๆกลับไปกลับมามองอย่างลงไปในนามรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอย่าละเอียดเลวประณีตใกลๆดังที่กล่าวแล้วนั้นการพิจารณาในลักษณะนี้จะต้องพิจารณาในกลับไปกลับมาบ่อยๆ จะลึกลงไปในจุดหนึ่งจนเห็นจนเห็นประจักษ์ชัดในอารมณ์ที่ยกขึ้นพินิจพิจารณาแล้วต่อจากนั้นก็ขยายความคิดออกไปในอารมณ์เหล่าอื่นที่ก่าบมาแล้วนั้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าบุคคลลองสังเกตให้ดีก็จะพบความจริงว่าจิตที่มีเชื้อกิเลสจะแปลเภทตัณหามานะหรือทิฏฐิก็ตาม เมื่อเกิดความพอใจเกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่ตนไปกำหนดไปยุตยิจุดนั้นไร้สาระไร้แกนสารไม่มีประโยชน์อย่างแท้จริงจะปล่อยวางในเรื่องนั้นได้แต่เมื่อกิเลสยังไม่หมดสิ้นก็จะไปควายคว้าในอารมณ์เราอื่นก็คล้ายๆกับว่าวานอนที่วิ่งไปบนต้นไม้เวลาจับกิ่งไม้กิ่งหนึ่ง กิ่งไม้นั้นหัก็จะคว้าจับกิ่งอื่นกิ่งอื่นหัก็จะจับกิ่งอื่นอยู่อีกเพราะยังมีความรู้สึกว่ายังมีกิ่งไม้ที่จะให้ตนจับอยู่และจะให้ความปลอดภัยแก่ตนจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นอาจจะปล่อยวางในเรื่องนี้แต่ก็ไปไขว่คว้าในเรื่องหนึ่งปล่อยวางในเรื่องหนึ่งจะไปคว้าไปไข่คว้าในอีกเรื่องหนึ่งมันอาการแบกหามทาง จ, จิตใจ ที่ทรงแสดงเอาไว้ในตอนหนึ่งว่าขาันทั้งห้านั้นเป็นภาระที่หนักยิ่งแต่บุคคลก็ยังแบกขันทั้งห้านั้นเอาไว้การแบกขันทั้งห้าเอาไว้นั้นเป็นความทุกข์แต่ถ้าปล่อยวางจะได้ก็เป็นความสุขโดยมีข้อแม้ว่าเมื่อปล่อยวางแล้วจะต้องไม่แบกอย่างอื่นอีกเพราะถ้าแบกอย่างอื่นอีกมันก็แก้ปัญหาความทุกข์ไม่ได้การที่จะไม่แบกอย่างอื่น ก็ต้องอาศัยการพินิษพิจารณามาโดยลําดับที่กล่าวมาแล้วนั่นคือในชั้นแรกก็ต้องเห็นปัจจัยของนามรูปต่อมาก็ต้องเห็นความเกิดความดับของนามรูปแล้วมาดูเฉพาะดับก็จะเห็นดับอยู่ตลอดเวลาเจริรับประทานอาหารเข้าไปมันก็เริ่มอาหารก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดในที่สุดก็หิวซึ่งก็แสดงถึงให้เห็นทั้งความดับในเรื่องของอาหารเหล่านั้น แม้ในเรื่องอื่นก็ทํานองเดียวกันในจิตใจที่ฝ่ายคว้าในลักษณะนี้พอเรามองเห็นในจุดหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นภยัยก็จะไปฝ่ายคว้าในอารมณ์อื่นอาจจะตั้งความหวังว่าในอนาคตอาจจะไม่เป็นภัยก็ได้เลยก็ฝ่ายหวนถึงอนาคตดังนั้นเวลาสอนในชั้นของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนแบบสรุปลงไปเลย เพื่อให้บุคคลไม่ไปไขวยคว้าไปยุดติดในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหมดนั้นตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปและแท้ที่จริงแล้วก็ดับอยู่ตลอดดังที่ทรงแสดงเอาไว้ในอนัตตลกณัสูตรซึ่งเป็นเรื่องของวิปัสสนาโดยเฉพาะว่ารูปอย่างไรอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประณีตก็ดีอันใดมีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีรูปนั้นก็สักเทวรูปไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราดังนี้แล้วทรงยกเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาสอนโดยนัยเช่นเดียวกันนั้นก็คือเพื่อให้มองความจริงชัดเจนในแง่มุมต่าง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะอยู่ในฐานะใดก็ตามนามรูปก็คงเป็นอย่างนั้นเมื่อพิจารณาไปเห็นประจักษ์ชัดแล้วก็จะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาที่ท่านเรียกว่านิปิทายาน <S <S 2> <S 2> คือเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในจิตใจมองเห็นนามรูปเหล่านั้นโดยความเบื่อหน่ายเป็นเรื่องที่น่าระอาแต่ว่าตนก็มาสยบ มายึดติดอยู่ในนามารูปเรานันอย่างตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วหรือว่าอุปมาเหมือนการที่บุคคลตกอยู่ไปในที่ใดที่หนึ่งอาจจะไปเห็นคนเ้านอนอยู่แล้วก็ไปอาศัยพักนอนอยู่ด้วยกันแต่พอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าคนที่ตนเข้าใจนันแท้ที่จริงแล้วก็เป็นซากศพ ก็จะเกิดความสะดุ้งความกลัวเบื่อหน่ายระอาที่จะอยู่ในที่นั้นมีความเพียรพยายามที่จะหลีกหนีออกไปจากสถานที่นั้นวิปัสสนาปัญญาในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะไรเพราะการที่บุคคลไปกำหนัดไปยึดติดในอารมณ์ต่างๆมีความสำคัญมั่นหมายไปด้วยการปรุงแต่งของตันหาวของเรา จนบางครั้งก็ไปกําหนดหมายว่าของเราไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พระโบราณอาจารย์ท่านอุปมาไว้ว่าคนเรานั้นเหมือนนกชื่อโบไมฮะกะที่แปลว่านกของเราคือจับอะไรแกะ ก, ะรก็ร้องว่าของเราทุกสิ่งที่แกจับแกก็ร้องว่าของเราแต่พอเอาก็จริงแล้วแกก็บินของแกไปเรื่อยไอ้สิ่งที่แกว่าของเราก็ทิ้งเอาไว้ให้คนอื่นบริโภคใช้สอย และแกก็ร้องของเราอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปจิตใจของบุคคลที่ถูกตันหาปรุงแต่งก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่เมื่อพิจารณาเห็นประจักษ์ชัดเห็นความเกิดเห็นความดับแล้วก็ดูเฉพาะความดับมองเห็นโทษของนามรูปก็จะเกิดความเบื่อหน่ายความยึดติดด้วยความสำคัญมั่นหมายาของเราก็จะผ่อนคลายลงแม้แต่ความเป็นเราซึ่ง กำหนดหมายขึ้นโดยอำนาจมานะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลก็จะเห็นชัดว่าไอ้ความเป็นเรานั้นแท้ที่จริงยิ่งกว่าของเราเะอีกเพราะเป็นเรื่องสมมติกำหนดหมายกันขึ้นภายหลังอาศัยองค์ประกอบอาศัยปัจจัยต่างๆเข้ามาแล้วก็กำหนดกันแต่งตั้งกันในชั้นของสมมติก็คือสมมติโดยนัยยะที่ได้กล่าวไปแล้วแต่โดยความจริงที่แท้จริงแล้ว มา n ะที่บางเกิดขึ้นนั้นต้นแล้วแต่อาศัยตัวปัจจัยอย่างอื่นเป็นแรงสนับสนุนทั้งหมดจิตที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจของ m a n ะจึงเหมือนกับลูกโป่งที่อัดแก๊สเข้าไปไอตัวที่ทําให้ลูกโป่งมันลอยนะั้นมันเป็นแก๊สมันไม่ใช่ตัวลูกโป่งลอยขึ้นมาด้วยตัวของมันเองความสําคัญมันหมายว่าเป็นใหญ่เป็นโตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นแรงสง่ง เช่นว่าอาศัยทรัพสมบัติอาศัยฐานะที่ตนได้รับจากสังคมอาศัยวิชาความรู้อาศัยยศศักดิ์ตำแหน่งที่คนอื่นก็แต่งตั้งให้ความเคารพนับถือที่คนอื่นเขาให้ความนับถือเป็นต้นซึ่งแต่ละอย่างนั้นมีลักษณะเหมือนแก๊สที่เป่าเข้าไปอยู่ในรูปพงทั้งหมดไม่ได้ลอยขึ้นมาด้วยตัวของมันแต่เป็นแรงดันของแก๊สเท่านั้นเอง ตานั้นมาณนะก็ยิ่งไปกันใหญ่โตเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเกิดความยึดติดขึ้นมาก็จะมีอาการหลงความบวมเปรเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแต่เมื่อเรามองเห็นเป็นความเกิดความดับก็จะสามารถปฏิบัติตนให้ผสมกลมกลืนกับฐานะในโอกาสในขณะนั้นๆได้คือในชั้นสมมติก็สมมติเป็นในชั้นของความจริงที่แท้จริง ก็พร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็ทํานองกับการเล่นละครที่เคยพูดไว้วันนั้นคือแสดงให้เห็นถึงว่าเข้าใจสมมติและเข้าใจความจริงที่แท้จริงเมื่อถูกกาหนดบทบาทให้แสดงก็แสดงไปเต็มตามบทบาทก็จีบทแตกแสดงไปได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อเลิกแสดงก็คือเลิกแสดงไม่พยายามทาตัวเป็นละครหลงโง เพราะถ้าหลงโงแล้วมันก็คงจะอยู่ในรูปนั้นไม่ได้การเจริญวิปัสสนาจนมาถึงชั้นนี้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อเกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นมา <c oughs> ก็จะเกิดปัญญาปรากฏขึ้นภายในจิตคิดที่จะหลีกหนีจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นยานเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นภายในจิตอีกชั้นหนึ่ง แต่การหลีกหนีนั้นจะต้องหลีกหนีโดยนิยต์ที่กล่าวแล้วคือไม่หลีกหนีเพื่อไปไขว้คว้าอย่างอื่นอีกไม่ใช่ปล่อยวางสิ่งนี้แล้วก็ไปแบกสิ่งโน้นปล่อยวางสิ่งโน้นแล้วก็แบกสิ่งอื่นเรื่อยไปเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จะเบามื่ก็เบาลงไปไม่ได้การกําหนดเป้าหมายที่จะหลีกหนีซึ่งบังเกิดขึ้นภายในจิตเป็นอาการของปัญญามีลักษณะคล้ายๆกับอุปมาที่กล่าวในตอนต้น คือหลงจับงูอยู่ในที่มืดเมื่อออกมาสู่แสงสว่างมองประจักษ์ชัดว่างูเป็นสัตว์ที่มีพิษแล้วก็พร้อมที่จะเป็นอันตรายได้เกิดความเบื่อนายเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วต้องเพียรพยายามที่จะสลัดให้พน้นแต่ปัญหาเมื่อสลัดไปแล้วทำยังไงงูจึงจะไม่แว้งกัดน้ำ จะต้องอาศัยปัญญาพินิพจนาวิธีที่จะเหวี่ยง ง, งูนั้นให้พ้นไปจากมือของตัวแล้วไม่หันกลับมารัดอีกแต่ละอย่างเป็นเรื่องของปัญญาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตด้วยกันทั้งนั้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตเหล่านี้ในชั้นของการอาธิบายหรือชั้นของปริยัตินั้นดูแล้วคล้ายๆจะทิ้งเวลานานด้วยกัน แต่เมื่อบุคคลปฏิบัติจนเห็นประจักษ์ชัดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งคือจุดของความเกิดดับมาดูเห็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ด้วยในที่สุดบางก็เห็นเฉพาะความดับเท่านั้นพอมาเห็นเฉพาะความดับแล้วก็จะมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นที่ตนไปไขว้าไปยุตยิจู๋พอเห็นโทษก็จะเกิดเบื่อหน่าย อเบื่อนายก็ปรารถนาที่จะคลาพ้นไปแต่นั้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่มีฐานของสมาธิและปัญญาอยู่อย่างสูงนั้นจึงเกิดขึ้นได้ในเวลารวดเร็วแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือต้องมีแรงหนุนที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาโดยลำดับคือทั้งชั้นศีลทั้งชั้นของสมาธิและชั้นของปัญญาเพราะถาไม่อย่างนั้นแล้ว ความรู้ความเห็นที่เรียกว่าญาณเช่นนั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ข้อนี้พึงดูตัวอย่างในชั้นทั่วๆไปเช่นการศึกษาเราเรียนตำรับตำราในชั้นต่างๆถ้าผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับพอถึงจุดหนึ่งโอกาสที่จะมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นหรือทราบอธิบายของเรื่องนั้นก็มีได้ง่ายแต่ถ้านิ่งๆมากระโดดจับเอาตรงปลายเลย ก็กำหนดทิศทางไม่ได้ว่าที่แท้ จ, จริงมันเป็นอย่างไรประโยคอย่างนี้เขาพูดมานั้นหมายความว่าอย่างไงเป็นต้นเรื่องการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานจึงเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขาตามธรรมชาติธรรมดาเช่นเดียวกับเรื่องเราอื่นหรือธรรมชาติเราอื่นคือจะต้องมีความเจริญเติบโตมาโดยลำดับไม่จะไม่ใช่ลักษณะของการอัดลูกปง แต่เป็นความเจริญเติบโตแบบต้นไม้แบบพืชพันธุ์ธรรชาติทั้งหลายหรือแบบชีวิตของบุคคลนั่นเองเป็นความเจริญเติบโตอย่างมีสัสดส่วนแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันดังนั้นในชั้นนี้จะเห็นได้ว่าศีลที่บุคคลอบรมกระทํามไมมากแล้วเป็นการเสริมสร้างสมาธิให้บังเกิดขึ้นสมาธิที่บุคคลอบรมดีแล้ว ก็หวนกลับไปชำระศีลของตนให้สะอาดหมดจดขึ้นและในขณะเดียวกันศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะเสริมสร้างปัญญาให้เด่นชัดขึ้นปัญญาเองก็กลับไปชำระศีลชำระสมาธิให้มีความประณีตยิ่งขึ้นธรรมะทั้งสามประการนี้ย่อมเอิงอาศัยกันและเป็นปัจจัยสนับสนุนกันทำงานประสานกันสิ่งที่เรียกวิญาณ คือความรู้อันเกิดผุดขึ้นภายในใจพิจารณาเห็นนามารูปตามหลักของปัจจัยหลักก็จะบังเกิดขึ้นและทําปฏิกริยาต่อจิตเปลี่ยนแปลงคุณภาพจิตให้มีความสะอาดมีความสว่างรู้เห็นความจริงแห่งนามารูปไปโดยลําดับและสามารถบรรเทาขายจัดความกําหนัดความยึดติดในนามารูปลงไปได้ โดยลำดับเช่นเดียวกันตามขีดแห่งยานความรู้ที่บางเกิดขึ้นในแต่ละขณะต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบ ต, ต่อไป